ก็มาลอมจอมเต็มไปแล้วนะบันนี้อืมโอยโลกของเรานี่เนาะมันเป็นโลกกลมเว้ยโลกกลมเปอย่างนี้แหละพูดถึงเรื่องชีวิตของคนเรานี่นะมันมีปัญหาที่เราจะต้องแก้อยู่มากมายถ้าแก้ไม่ถูกจุดมันก็ ยิ่งยุ่งกันไปใหญ่ถ้าแก้ถูกจุดแล้วมันก็ไปได้สะดวกบุคคลผู้จะแก้ปัญหาชีวิตของตนได้นั้นก็เพราะได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้า เท่านั้นแหละถึงจะแก้ปัญหาของชีวิตตกไปได้คำสอนอย่างอื่นนั่นมันแก้ได้อยู่แต่ว่าแก้ได้เป็นบางอย่างเท่านั้นเองแก้ได้แต่อย่างที่มันตื้นๆอย่างลึกเข้าไปจริงๆนะ่นมันแก้ไม่ได้ความรู้ในทางโลกนั่นแก้ปัญหาได้เพียงแค่ธรรมมาหาเรื่องชีพ สะดวกคล่องตัวดีหาเงินหาทองได้ดีเพราะมีความรู้มด <c oughs> กิเลสอันมันหมักดองอยู่ในจิตใจนั้นวิชาทางโลกนั่นไม่สามารถที่จะกำจัดมันได้เลยอุปสรรคสำคัญในของชีวิตก็คือกิเลสตัณหาอาวิชชา ต่างๆมุลนี้นับน <ะ S 2> ว่าเป็นอุปสรรคของชีวิตเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่า <c oughs> กิเลสนี่ได้แก่ตัณหามันเป็นมูลรากของกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายอาศัยความอยากนี่เอง เ, เป็นมูลเหตุให้คนเราสร้างกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปด อะไรต่ออะไรขึ้นมาในใจเป็นอย่างนั <c> ้น <oughs> ทีนี้ผู้ใดที่มาเรื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสรศิฐแล้วเช่นนี้ก็พยายามสดับตรับฟังคำสอนไปเรื่อยๆพยายามดูตำรับตำรา แล้วเอาไปพินิษพิเคราะห์พิจารณาให้รู้ว่าทำอะไรเป็นเครื่องกำจัดกิเลสตัณหานี่ออกไปจากกิจใจนี่เมื่อรู้ทำที่ระ ง, งับกิเลสตัณหานี่แล้วอย่างนี้ก็จเจริญธรรมนั้นให้เกิดให้มีขึ้นในใจ ทำที่จะทำให้ตัณหามันเบาบางออกไปจากจิตใจในตอนต้นนี่พระศาสดาทรงสอนให้คนเรานั้นมักน้อยสันโดษ <c oughs> มักน้อยนั่นคือมักต้องการให้กิเล ต, ตันหาบาปทำอะไรที่มักผมอยู่ในจิตใจนี่มันน้อยเบาบางออกไปเรื่อยๆ ตลอดถึงมากน้อยในปัจจัยเครื่องอาศัยเมื่อมีแสวงหาปัจจัยเครื่องอาศัยได้มาแล้วก็ไม่ใช่จ่ายสุรุสุร่ายรู้จักประหยัดรู้จักประมาณในการใช้การจ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ของตัวเองจนมีรายได้น้อยก็ต้องพยายามใช้จ่ายไปตามน้อย ใช้จ่ายแต่ในสิ่งที่จำเป็นสิ่งใดที่ไม่จำเป็นได้แทะก็องงดไว้ก่อน <c oughs> อันนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มักน้อยคุณธรรมอันนี้แหละที่จะทำให้ตัณหามันเบาบางลงไปกับสันโดษสันโดษนั่นหมายเอาความรู้จักยินดีพอใจใส่สอย ในสมบัติที่ตนแสวงหามาได้ตนแสวงหามาได้มากหรือได้น้อยเท่าไรก็ยินดีใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีทรัพสมบัติมากกว่าตนตนก็ไม่อิจฉาเขาไม่หน่อยเนื้อตำใจไม่คิดที่จะไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนตนมีเท่าไรก็พอใจใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละ นี่ท่านเดียวว่าถือสันโดษ เ, เมื่อมีความสันโดษกินดีในของที่ตนมีอยู่อย่างนั้นตัณหาความทยานหยากดิ้นโลนไปเกินขอบเขตนี่มันก็เบาบางลงทําอย่างไรตนมีบุญมีวาสนาเพียงเท่านี้แล้วจะไปให้มันยิ่งไปเหมือนอย่างคนที่เขา มีบุญวาสนามากกว่ตนมันจะได้ยังไงตั้งแต่ชาติก่อนนน้ตนมัวเมาประมาทไม่ประกอบกุศลความดีให้มากไว้เช่นนี้ทำบุญก็ไม่มากานี้เพราะเกิดมาชาตินี้บุญนั่นมันก็มาตกแต่งความสุขให้ตามกําลังของบุญที่ตนทำมานั้นนะแล้วจะไปโทษใครแบบนี้นะ <c oughs> โทษใครไม่ได้เลยต้องโทษตัวเอง เพราะตัวเองมัวเมาประมาทอยู่ไม่ผลขวายสั่งสมบุญกุศลให้มากไว้ถ้าเกิดมาในชาตินี้แล้วก็ยังจะมาถือว่าตนไม่ร่ำรวยเหมือนคนอื่นเขาตนเป็นคนยากจนแล้วก็ไม่คิดสั่งสมบุญกุศลต่อไปต่อไปเบื้องหน้ามันก็ยิ่งจมลงไปสู่ความทุกข์ความยากจ น, นขนแค้น กลายเป็นคนอนาถาไปนี่แหละชีวิตของคนเราถ้าหากว่าไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของกรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ขวนขวายในกรรมดีไม่เพียรละกรรมชั่วให้เกิดดีขึ้นในตนอย่างนี้แล้วชีวิตนี้มันก็ต้องตกต่ำลงไปเรื่อยๆทางมันจะสูงขึ้นไม่มี ชีวิตของคนเราเนี่มันจะสูงขึ้นจะ ก, ก้าวหน้าไปสู่ความสุขความเจริญในขั้นใดใดได้เกาะโดยอาศัยบุญกุศลโดยแท้จริงไม่ไม่ได้อาศัยสิ่งอื่นใดเลยเรื่องอย่างนี้นะเราต้องพิจารณาให้มันเห็นแจ้งโดยตนเองอย่าไปเชื่อแต่เพลงผู้อื่นอย่างเดียวต้องน้มเข้าไปคิดไปพิจารณาตรีตองให้ เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบของตัวเองแล้วนั่นแหละมันจึงจะขมักขะม้นในการบุญการกุศลตลอดถึงบาปกรรมความชั่วก็เหมือนกันเมื่อใครไม่น้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาให้เห็นแจ้งระจากด้วยปัญญาของตนแล้วมันจะไม่ละมันเลยไม่เพียงไม่ยามละมันแล้วมีแต่สั่งสมมันไปอย่างนั้นแหละ เพราะว่าไม่เห็นโทษของมันมองไม่เห็นว่าบาปมันจะอำนวยผลให้เป็นทุกข์ได้อย่างไรเพราะทำไปแล้วก็ไม่เห็นว่ามันปรากฏผลอะไรเลยทำบาปอะไรไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไปแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่จับไม่ได้แล้วก็สบายไปไม่เห็นเป็นอะไรฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าปูฆ่าปลา ข่าเป็ดข้าไก่กินกันอยู่นั่นนี่ไม่เห็นว่าบาปมันสนองให้เป็นทุกข์อะไรอ่ามันก็มีความรู้สึกเอาเอาใกล้ใกล้แค่นี้แหละคนส่วนมากนะอืรู้ว่าทําลงไปนั่นแล้วมันไม่เห็นมันสนองตอบให้เป็นทุกข์หรือร้อนอะไรความคิดมีแค่นี้แหละอะไม่คิดให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นอันน ถ้าคิดให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นมันก็จะมองเห็นได้ว่ากิริยาอาการที่ทนทำนั้นมันหยาบโลนเต็มที่มันขาดความเมตตาปราณีในสัตว์ทั้งหลายเป็นคนใจดำมองไม่เห็นชีวิตของสัตว์อื่นหรือบุคคลอื่นมองเห็นแต่ตัวเอง รักแต่ชีวิตของตัวเองไม่มองเห็นชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นว่าเขาก็รักชีวิตของเขาหรืออย่างไรเหมือนกับเรารักชีวิตของตนหรือไม่ไม่ได้คิดไม่ได้ตรองให้ละเอียดลงไปถ้าคิดแต่ละเอียดลงไปแล้วมันก็ต้องมองเห็นได้เลยว่าทุกชีวิตนี่เกิดมาแล้วต้องรักชีวิตของตนมด ไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ดิเรกชันไม่ว่าสัตว์เปรตไม่ว่าอสุรกายบรรดาพวกสัตว์ทั้งหลายที่ยังท่องเที่ยวเกิดตายอยู่ในโลกนี้ต่างก็รักชีวิตของตัวกลัวตายเหมือนกันหมดเลยเมื่อใครจะไปทาร้ายมันมันยังวิ่งหนีมันยังบินหนีสัตว์ก็ดี อย่างนี้แะสะดงว่ามันรักชีวิตของมันมันมันกลัวตายมันไม่อยากตายเราก็เหมือนกันถ้ารู้ว่าใครจะมาฆ่ามาตีก็ต้องหาทางหลีเกเลี่ยงหรือต่อสู้แล้วแต่กรณีจะไม่ยอมให้ใครมาฆ่าเอาดือด้อๆอย่างนี้ก็เพราะรักชีวิตนั้นเองแหละ น, นี่ถ้าคิดเทียบกับเอาเราไปเทียบกับเขาเอาเขามาเทียบกับเรา ดูอย่างนี้นะมันก็จะได้รู้สึกว่าไม่น่าที่จะไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลยเมื่อมาคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วนะมันก็ลงความเห็นอย่างนี้แหละบัดนี้เมื่อมันลงความเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นหาทางหลีกเลี่ยงจากการเบียดเบียนแล้วเมื่อเชื่อพระปัญญาศัสรูของผู้ต่อเจ้า มันก็ยิ่งสะดุ้งหวาดกลัวขึ้นในใจเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลเมื่อทำบาปเป็นอาจินอย่างนี้เลื่อยไปไม่ไม่เห็นโทษของบาปอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตแล้วอย่างนี้บาปกรรมนั้นมันจะต้องนำไปสู่นรกอบายภูมิแน่นอนไปทนทุกข์ทรมานน้ำลงรั่วไฟเผาอยู่ในนรกนั้นเป็นพันพันปีทิพย์ไปอย่างนี้นะ พระพุทธเจ้าจึง่าสอนให้คนละบาปนั่นนะเพราะว่าพระองค์ทรงสงสารสัตว์โลกไม่อยากให้ไปทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอบายภูมิพระองค์จึงสอนแล้วสอนเล่าในพระธรรมเทศนาที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านร้อยกองหรือจารึกไว้ในคัมภีร์เมื่อไปอ่านดูค้นดูแล้ว แสดงว่าพระ อ, องค์นั้นแสดงเทศนากันใดก็ปรลบถึงคําแนะนําให้ละเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันนี่นะการยกโทษการตําหนิตีเตียนการผูกพยาบาทจองเวรกันนี่มันเป็นทางแห่งความทุกข์เกือบมีทุกข์กันไปเลยธรรมเทศนาของพระ เ, เจ้านะ้อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้น เรื่องการเบียดเบียนกันเนี่ยจึงชื่อว่าถือเป็นหลักสาคัญในพระพุทธศาสนานี่เพราะว่าเท่าที่ฟังดูแล้วรัฐที่อื่นศาสนาอื่นนั้นยังไม่เคร่งคัดเท่าพุทธศาสนาเลยเรื่องการแนะนำให้เว้นจากเบียดเบียนกันและกันเนี่ยบางศาสนาก็ยังเขียนในลงในคัมภีร์ไว้ ว่าถ้าถ้าสาวกในศาสนานั้นในรัที่นั้นนะไปทําลายสาวกของศาสนาอื่นลัที่อื่นได้เท่าไรยิ่งได้บุญหลายตายแล้วไปสวรรค์เอเขาเขียนไว้อย่างนี้ก็มีนี่นี่แหละอันนั้นนะแสดงให้เห็นแล้วว่าจิตมันลำเอียงอ่ะส่วนในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนให้คนเรามีจิตลำเอียง อย่างนั้นไม่สอนไม่ทรงสอนให้ถือพักถือพวกถือกกถือเหล่าถือรัฐที่นั่นลัทิ่นี้พิเศษกลัวกันอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ไม่ได้ทรงสั่งสอนเลยไอเรื่องให้ถือกกถือเหล่านี่นะให้ถือว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแต่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้น ใครๆก็ยอมรักความสุขเลียดต่อความทุกข์เหมือนกันหมดเลยใครก็ไม่อยากตายกลัวตายเหมือนกันหมดบุคคลมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ควรเบียดเบียนซึ่งกันและกันพระพุทธองค์จึงได้ทรงเปล่งอุทานเมื่อเวลาตรัสรู้แล้วใหม่ๆว่าอัยญาปัตสังสุก ข, ขั้งโลเกปานาภูเตสสั ญ, ญโม ความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายคือความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกสุขขาวิราคตาโลเกกา ม, มานังสมติกรโมความสิ้นไปแห่งความกำหนัดคือล่วงกรรมทั้งหลายเสียได้เป็นสุขในโลกดังนี้พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระอุทาน ออกมาดังๆอย่างนี้นะนะับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากทีเดียวคควรที่พุทธบริษัทจะพึ่งน้อมนำไปพิจารณาแก้ไขชีวิตจิตใจของตนให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ได้เพราะว่าพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่า ผู้ใดนะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายคือไม่ให้ไปเบียดเบียบนบุคคลอื่นด้วยกายเส้นกายก็ไม่ไปทุบไปตีผู้อื่นไม่แสดงกิริยาหยาบโลนกับใครต่อใครออไม่กล่าววาจาเสียบแทงคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจไม่พูด ทำเท็จช่อกงหลอกลวงคนอื่นให้เสียทรัพย์เสียสินไม่ยุโยงส่งเสริมให้คนอื่นนั้นทะเลวิวาทติดเถียงกันพูดตั้งแต่คำอ่อนหวานสมานไมตรีจิตต่อกันและกันทำอย่างไรเราจะผูกมิตรผูกญาตกันได้เราก็ใช้คำพูดอันนั้นต่อกัน คำพูดอันใดมันจะเป็นไปเพื่อความทะเลาะวิวาทกันแล้วอย่าไปเอามาพูด อ, อย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่กลัวบาปกลัวกรรมอมเป็นผู้สำรวมวาจาของตนทุกอิริยาบถไปเลยโดยอย่างนั้นอันวาจานี่ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยนี่ คนเรามันจะได้ทะเลาะวิวาทกันกระเพาะเกาวาจาทิมแทงกันเนี่ยก่อนนะถ้าต่างคนต่างอยู่ไม่พูดอะไรกันเลยนี่มันไม่ได้ทะเลาะกันนอคนเราลองสังเกตดูเพราะฉะนั้นการที่มันจะทะเลาะกันเนี่ยเพราะมันพูดกันพูดกันไม่รู้เรื่องกันเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วมันก็เอาแล้วแต่ทะเลาะวิวาทกันเข้าไปอย่างนี้ เพราะฉะนั้นมันเราต้องพูดกันให้รู้เรื่องกันเมื่อเกิดความคิดความเห็นอะไรไม่ตรงกันบางสิ่งบางอย่างนั้นนเี่ยเราก็ควรหันหน้าเข้าพูดกันว่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรสาวหาต้นต่อของมันเมออื่อรู้ต้นต่อของมันเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างนั้นมันถึงได้ขัดแย้งกันมันเอาทำอย่างไรแล้วจะไม่ขัดแย้งกัน วันนี้ก็หาวิธีการสิวันนี้ะกะแบ่งกันคนละครึ่งเนยะถ้าเป็นความเห็นนะไม่ไม่ตรงกันนะเอาแบ่งกันคนละครึ่งไปซะมันก็หมดเรื่องกันไปให้ถูกเหมือนกันหมดนะแต่ว่าเอาคนละครึ่งกันคนฉลาดมันต้องหาอุบายวิธีรักษาความสมัครสมานสามคัคคีซึ่งกันและกันไว้ให้ได้ นี่บรรดานักปราดทางหลายนะท่านย่อมมีอุบายเย็บคลายประสานสามัคคีของคนหมู่มากไว้ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนเรามันต้องใช้ปัญญาเราจะไปอาศัยตั้งแต่ความคิดความเห็นเฉยๆความคิดความเห็นบางอย่างมันก็ลำเอียงอยู่ในใจ อมันเข้าข้างตัวเองก็มีอย่างนี้แหละมันไม่มันไม่แน่นอนะถ้าเราใช้ปัญญาพิิษพิจารณาเหตุผลในเรื่องนั้นนั้นให้เห็นโดยแจ่มแจ้งแล้วจึงพูดออกไปทําออกไปมันก็ไม่ค่อยผิดพลาดอมันก็ถูกใจของคนทั่วไปนั่นแหละถ้าเราทําอะไรไปพูดอะไรไปถ้ามันถูกต้องแล้วนะ ถ้ามีเหตุมีผลเพียงพอเรียกว่าเหตุผลอนั้นมันเป็นไปในทางที่ดีไม่ได้เป็นไปในทางที่เสียเ่นนี้นะมันก็พออกพอใจด้วยกันทุกฝ่ายนั่นเองเนะี่ยแต่คนส่วนมากทำอะไรพูดอะไรมักจะดำเนินไปตามความเห็นของตนโดยส่วนเดียวบางทีความเห็นของตนนั้นมันไม่เป็นธรรมไม่เป็นศีลก็มี อย่างนี้แหละเราจะให้คนอื่นเขาเอาตามเส้นนี้มันไม่ได้เพราะความเห็นความคิดความเห็นของตนมันไม่เป็นธรรมไม่ตรงต่อศีลอย่างนี้นะคนผู้รู้ศีลรู้ธรรมดีเขาก็ไม่เอาตามอมแล้วก็จะไปโกรธให้เขานี่มันจะไปถูกต้องอยังไงอ่ะมันไม่ถูกต้องเลยนี่แหละบรรดานักปราชญ์ทั้งหลายท่านสังคมสมาคมกันท่านไม่มีเรื่อง วิวาทบาดหมางอะไร ก, กันก็เพราะว่าต่างคนต่างก็มีเหตุมีผลอันตรงต่อธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเอาพระธรรมนั้นเป็นแกนกลางถ้าความคิดความเห็นอะไรมันตรงต่อพระธรรมแล้วก็ใช้ได้เลยยอมรับรองกันได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละไอ้เรื่องที่ปะลกขึ้ น, นอนเบื้องต้นว่า คนเรานั้นต้องรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ามันถึงได้แก้ปัญหาของชีวิตตกได้นั่นมันก็สมเหตุสมผลดังที่สแสดงมานี่แหละเมื่อเรายึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักปฏิบัติแล้วต่างคนต่างก็น้อมความคิดความเห็นของตนให้มาลงกับธรรมะนี่ให้ได้แล้วก็เป็นนันว่าลงเอ่ยกันได้เลย ทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วแล้วสุดท้ายแท้ๆนะก็ลงสู่ไตรักอืถ้าเรื่องไดมันยุ่งๆมันแก้ไม่ตรงจริงอทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกไปนาณาตาไม่ใช่ของใครอย่าไปยึดถืออามันเลยปล่อยวางมันซะเมื่อปล่อยวางมันแล้วมันก็ไม่ยุ่งเท่านั้นเองอนะไม่มีใครได้เสียได้เปรียบใครเสียเปรียบใคร เมื่อต่างคนต่างวางลงไปแล้วมันก็หมดเลืองกันไปนี่ผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้รู้ทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านดำเนินชีวิตไปอย่างนี้ต้องให้เข้าใจพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านบาเพ็ญปฏิปทาไปอย่างนี้แหละเหตุท่านพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านจึงไม่มีการทะเลาะวิวาทขัดแย้งอะไร กันแม้จะอยู่ร่วมกันเป็นหมื่นเป็นแสนท่านก็ไม่มีเรื่องเดือเดเนื้อร้อนใจอะไรเลยนะออลองวาดมโนภาพดูสิพระอริยบุคคลทั้งหลายนะบางคนก็จะว่าเอา้าวอันนั้นท่านเป็นอริยบุคคลเรายังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วจะให้สงบประงับอย่างท่านได้อย่างไรมันก็จะต้องว่ากันมาอย่างนี้แหละ จิงโยู่เราก็ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าเราเชื่อหัหยว่าพระอริยบุคคลท่านมีความสุขสบายเพราะท่านละความยึดความถือในเรื่องชั่วรต้ต่างๆนี่เราจะตอบว่าไงแบบนี้น ะ, ะแต่ต้องตอบว่าเชื่อเลยเชื่อพระอริยบุคคลเนี่ยเหตุที่ท่านสบายท่านไม่ทะเลออาะวิวาทกันก็เพราะท่านมาละความยึดความถือ ต่างๆทีนี้เมื่อเรามาเพียรไม่ยามล่ความยึดความถือมัน่นต่างๆ ต, ตามพระอริยะบุคคลทั้งหลายไปอย่างเนี้ยเราจะมีความสุขไหมแน่นอนต้องมีความสุขแท้ถ้าเช่นนั้นเราจะเดินตามรอยของพระอริยะเจ้าไม่ได้เหรอต้องได้แน่นอนเพราะว่าท่านผู้จะเป็นพระอริยบุคคล่ะท่านก็เป็น คนธรรมดาสามัญ น, นี่แหละไปก่อนนะแต่เมื่อท่านดาดำเนินตามทางของพระอริยบุคคลแล้วในที่สุดท่านก็เลยได้เป็นพระอริยบุคคลไปอย่างนี้แหละถ้าไม่ดำเนินตามทางของพระอริยบุคคลแล้วก็ไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลสักหน่อยเดียวล่ะเกิดไปชาติใดก็ไม่ได้เป็ น, นะจะเกิดสักกี่ชาติก็ไม่ได้เป็น ก็ลองสังเกตดูหลักธรรมะเป็นไงล่ะนี่หลักธรรมะพระศดาทรงสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติตามมัคมิยงแปดประการหรือว่าศีลสมาธิปัญญานี่เป็นข้อปฏิบัติสายกลางไม่ว่านักบวช เ, เรือเครือหัดย่อมมีสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามได้ทั้งนั้นเลย แล้วเมื่อปฏิบัติตามไปไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้เช่นเดียวกันท่านที่ได้บรรลุไปแล้วนั้นท่านก็ปฏิบัติตามทางสายนี้ เ, เมื่อท่านกําลังปฏิบัติอยู่นั้นท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญไปนั่นแต่ท่านเอาธรรมของพระอริยเจ้านั้นมาสวมใส่กายวาจาใจเรื่อยไป ธรรมของพระอริยเจ้านั่นแหละก็จึงขจัดกิเลสตัณหาอาวิชชาอันมีอยู่ในใจนั้นให้หมดไปสิ้นไปจา ก, กจิตใจของท่านท่านจึงได้เป็นพระอริยะบุคคลออศีล ส, สมาธิปัญญานี่ก็เป็นโลกียธรรมเหมือนกันนะยังไม่เป็นโลกุตระธร ร, รมอ่แต่ว่าเป็นหนทางก้าวไปสู่โลกุตระธร ร, รม เมื่อบงเพ็ญให้เจริญเต็มที่แล้วทําหน้าที่กําจัดกิเลสให้หมดสิ้นลงไปแล้วอมรรคอันมีองู่แปดประการนี้ก็ดับไปไม่ใช่ว่ามันตั้งอยู่เมื่อไรอะดับไปมันเหลือตั้งแต่ดวงจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะใครๆเอาธรรมะเหล่านี้ปฏิบัติไปน้อมเข้าสู่จิตใจของตนไป ทรมาเหล่านี้ก็ไปทำหน้าที่กำจัดกิเลสให้เบาบางไปหมดไปสิ้นไปได้เพราะฉะนั้นแหละเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันแก้ปัญหาชีวิตของตนด้วยการดำเนินตามทางข้อวัดปฏิบัติที่พระบรมศ า, ศาสดาทรงแนะ น, นาสั่งสอนไว้แล้วนั้นให้เต็มความสามารถของตนของตน ก็จะได้ประสบผลคือความหลุดพ้นจากทุกตามเป้าหมายดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้